การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาได้นี้จาเป็นจะต้องมีคุณธรรมที่สนับสนุนอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งความตั้งใจสองความจริงใจสามความภาคเพียรและสี่ ความอดทนนี่คือคุณธรรมที่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจาเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ถ้าต้องการให้การปฏิบัติธรรมนั้นบรรลุผลขึ้นมาได้เพราะถ้าไม่มีความตั้งใจไม่มีความจริงใจไม่มีความ ภาคเพียรพยายามไม่มีความอดทนก็จะไม่สามารถสร้างธรรมที่จะพาให้ไปสู่การบรรลุ ธ, ธรรมขั้นต่างๆได้นั่นเองดังนั้นสิ่งแรกที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะมีอยู่เสมอ คือความตั้งใจตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ จเจริญให้มากว่าก็คือความเมตตาผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานจำเป็นต้องมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือเดรัจฉานต้องแผ่เมตตา ให้กับสัตว์ทั้งปวงเสมอคือให้คิดดีพูดดีทดําดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้คิดร้ายพูดร้ายทําร้ายผู้อื่นให้มีความปรารถนาดีอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขอยากจะให้ผู้อื่น พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนเวลาที่ผู้อื่นทำอะไรให้เกิดความเสียใจเกิดความโกรธก็ต้องให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมเพราะการจองเวรจองกรรมจะทำให้ใจไม่สามารถคิดดีพูดดีทำดี ได้ไม่สามารถที่จะสร้างทรรมที่จะพาให้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้นั่นเองคือไม่สามารถสร้างทานขึ้นมาได้ผู้ที่ยังคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายผู้อื่นอยู่จะไม่อยากจะทำทานจะไม่ชอบทำทานทานนี้เป็นสิ่งที่ ผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องทำเพราะจะได้หลุดออกจากบ่วงของกิเลสตัณหาที่จะใช้ทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนี้มาล่อใจ มาดึงใจไว้ให้ติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนั้นจำเป็นจะต้องออกไปแสวงหาทำ ถ้ายังติดอยู่กับการเฝ้าสมบัติดูแลสมบัติหาสมบัติอาศัยสมบัติเป็นที่ให้ความสุขเป็นที่พึ่งก็จะไม่สามารถออกไปหาธรรมที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้แก่าจได้นะ ผู้ที่ปราถนาที่จะปฏิบัติสร้างธรรมท่านสูงขึ้นไปจำเป็นจะต้องให้ทานต้องให้ต้องรู้จากการแบ่งปันต้องรู้จากการเสียสละถ้ามีความเมตตาการให้ทานก็จะเป็นของไม่ยากเย็นอะไรเพราะผู้มีความเมตตา ก็มีความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขจากการกระทําของตนและการกระทําที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขก็คือการให้ทานนี้เองถ้าเรามีอะไรมากเกินความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ก็จะเป็นภาระเป็นเครื่องผูกพันจิตใจ ทำให้จิตใจไม่สามารถที่จะจะเลื่อนำขั้นที่สูงขึ้นไปต่อไปได้แต่ถ้าทำทานได้แล้วจิตใจก็จะไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะไม่โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะจะเห็นว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการให้นี้มีมากกว่าประโยชน์ที่การได้ทรัพย์หรือเก็บทรัพย์เอาไว้เพราะเวลาได้ทำทานแล้วใจจะมีความสุขมีความเบา อ, อกเบาใจอิ่มเอิบใจและมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น จะทำให้สามารถจเจริญทำขั้นต่อไปได้ก็คือศีลสามารถที่จะรักษาศีลห้าได้เพราะใจที่มีความเมตตามีฐานจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดประเวณีจะไม่พูดปด โกหกหลอกลวงจะไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเมื่อได้รักษาศีลใจก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมานั่นเองเพราะมีศีลไว้ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมา ผู้ที่ไม่ทําบาปผู้ที่มีศีลจิตใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบร่มเย็นเป็นสุขทําให้เห็นคุณค่าของความสงบร่มเย็นเป็นสุขของใจแล้วก็อยากที่จะเพิ่มความสงบสุขร่มเย็นนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความอยากที่จะ รักษาศีลแปดคือปฏิบัติเนคข ม, มะคือละเว้นการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเพิ่มศีลขึ้นมาอีกสามข้อจากห้าข้อข้อที่สามก็เปลี่ยนจากการละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีมาเป็นการ ไม่ประพฤติไม่ร่วมเสพการกับผู้อื่นคือถือศีลพรหมจรรย์อพรรมจริยาเวรเมณีไม่ต้องการหาความสุขผ่านทางร่างกายด้วยการหลับนอนกับผู้อื่นจะหาความสุขจากการเจริญสติ เพื่อทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาถ้าไม่ละการหาความสุขทางร่างกายนี้เวลาที่จะมาทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาก็จะไม่มีนั่นเองถ้าต้องการความสุขที่ดีกว่าที่ถาวรกว่าความสุขที่ได้รับจากการน่วมหลับนอนกับผู้อื่น ก็จำเป็นที่จะต้องละเว้นการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแล้วมาจเจริญสตินั่งสมาธิทาใจให้สงบให้เป็นอุเบกขานอกจากนั้นก็ต้องละเว้นจากการหาความสุขจากการรับประทานอาหารขนมนมเนยต่างๆมากเกินความต้องการของร่างกาย ก็คือจะไม่รับประทานอาหารขนมนมเนยอะไรต่างๆหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะการรับประทานเพียงวันละหนึ่งครั้งก็พอที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้แล้วไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารวันละหลายหลายมื้อไม่ต้องรับประทานหลังจาก เที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้มีเวลามาทําใจให้สงบและป้องกันนิวอนคือความง่วงเหงาเหานอนความเกลียดคร้านไม่ให้เกิดขึ้นมาเพราะปกติถ้าร่างกายได้รับประทานอาหารมากเกินไปก็จะเกิดความง่วงเหงาหานอน ไม่อยากที่จะทำอะไรอยากจะนอนการจะภาวนาทำใจให้สงบก็จะไม่สามารถทำได้แต่ถ้ารับประทานอาหารพอประมาณพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วร่างกายก็จะไม่รู้สึกง่วงเหงาเหานอนเวลาจะ นั่งสมาธิก็จะไม่สับปะงกสามารถนั่งทำให้ใจสงบเข้าสู่อุเบกขาได้เข้าสู่สมาธิได้แล้วก็ต้องละเว้นการหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆมหรัรสยต่างๆเช่นการร้องรำทำเพลงการดูภาพยนตร์ดูละคร ดูสิ่งที่เป็นบันเทิงทั้งหลายจะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกิ่นงกายจะมาหาความสุขทางใจทําใจให้สงบจะไม่หาความสุขจากการเสริมความงามด้วยเสื้อผ้าอาพรที่วิจิตริสดารไม่เสริมสวยด้วยเครื่องสำางน้ำมันน้ำหอม ต่างๆเพราะความสุขเหล่านี้เป็นความสุขแบบควันไฟความสุขเดี๋ยวๆไม่มีน้ำหนักเหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าและเป็นความสุขที่ถาวรกว่าแล้วก็จะไม่หา ความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปการหลับนอนนี้ควรหลับนอนเพื่อเป็นการพักผ่อนร่างกายปกติร่างกายถ้าได้รับการพักผ่อนหลับนอนประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาร่างกายจะได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงแต่ถ้านอนบนฟูกหน า, หนา เวลาร่างกายตื่นขึ้นมาใจนี้ยังไม่อยากจะลุกใจยังรักยังชอบความนอนความสบายที่เกิดจากการได้นอนบนพูกหนาะๆนะก็จะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงถ้านอนบนพื้นไม้พื้นแข็งปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสือ่อเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้ว พอตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากนอนต่อเพราะมันไม่สุขมันไม่สบายเหมือนกับนอนบนฟูกนะั้นนะก็จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาบำเพ็ญทำขั้นที่สูงก็คืออุเบกขาธรรมการที่จะทำใจให้ได้อุเบกขาธรรมขึ้นมาจาเป็นที่จะต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง การเจริญสตินี้เป้าหมายก็คือการควบคุมความคิดหยุดความคิดปรุงแต่งที่มักจะคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงคิดไปในทางความอยากต่างๆคิดแล้วก็จะทําให้เกิดความทุกข์ก่อความวุ่นวายใจขึ้นมาหาความสุขไม่ได้และไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความ ทุกความวุ่นวายใจทำให้ใจมีความสุขได้นอกจากการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบให้หยุดคิดปุงแต่งนี้เท่านั้นต่อให้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามต่อให้เป็นผู้หลับผู้ใหญ่ในระดับไหนก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ ความวุ่นวายใจต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ได้ถ้าไม่มีการเจริญสติการเจริญสตินี้เป็นการเป็นขั้นแรกของการที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจแต่ยังไม่เป็นขั้นสุดท้ายเพราะสตินี้จะดับความทุกข์ได้เป็นพักๆไปไม่สามารถที่จะดับความ ทุกที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งได้อย่างทาวอนแเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ก่อนเพื่อที่จะได้ใช้การดับความทุกข์ให้ได้อย่างท้าวรต่อไปด้วยปัญญาปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถทําลายความคิดปรุงแต่ง ไปในทางของความโลภความโกรธความหลงไปในทางของความอยากได้สตินี้เพียงแต่กดเอาไว้หรือดึงเอาไว้เท่านั้นเองพอเวลาใดที่เพลสติความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงไปในทางความอยากก็ยังจะสามารถคิดปรุงแต่งได้ แต่ถ้ามีปัญญาคอยควบคุมคอยสั่งสอนใจให้เห็นโทษของการคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงคิดไปในทางความอยากต่อไปใจก็จะไม่กล้าคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงความอยากพอไม่ไปคิดไปในทางนั้นความทุกข์ต่างๆก็จะหายไป จะไม่มีวันปรากฏขึ้นมาใหม่ได้อีกนี่เป็นการทำลายความทุกข์ความวุ่นวายใจอย่างถาวรต้องทำลายด้วยปัญญาแต่ก่อนที่จะทำลายได้ปัญญาด้วยปัญญาได้นั้นจำเป็นต้องหยุดด้วยสติก่อนต้องรู้จักหยุดความคิดปุุงแต่งให้ได้ก่อน พอหยุดความครยดตุงแต่งได้แล the ้วท่านต่อไปก็สอนให้คิดไปในทางที่จะทำให้หยุดความคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงหยุดไปในทางความอยากต่างๆการที่จะหยุดความคิดไม่ให้คิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็ต้องคิดให้เห็นในสิ่งที่ ที่ใจยังหลงยังอยากยังโลภยังอยากได้ให้เห็นว่าสิ่งที่อยากอยากได้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเช่นอยากได้เงินทองก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเงินทองนี้ไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขแต่กลับจะทำให้ใจมีความทุกข์ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขปลอม เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเวลาที่ได้เงินได้ทองมาแต่พอได้มาแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาเงินทองกลัวจะหายไปความกลัวที่เงินทองที่ได้มานี้จะหายไปก็เป็นความทุกข์แล้วแล้ว เวลาที่มันจะหายก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เหนือวิสัยของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วเขากับเราก็ต้องมีการจากกันไปเวลาที่ต้องจากกันไปก็จะทำให้ใจนั้นมีแต่ความเท่าเศร้าโศกเสียใจ นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆมาเพราะสิ่งต่างๆที่อยากได้มานั้นล้วนเป็นอนิจจังทางนั้นคือไม่เที่ยงไม่ถาวรมีเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีการดับไปมีการได้มาก็ต้องมีการเสียไป เวลาได้มาก็ดี อ, อกดีใจมีความสุขเวลาที่เสียไปก็มีความทุกข์ความเสียใจถ้าเห็นว่าจะต้องทุกข์จะต้องเสียใจกับสิ่งต่างๆที่ได้มาสิ่งต่างๆที่อยากจะได้มาก็อย่าไปเอามาดีกว่าสู้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่า ความสงบนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองมีลาบมียศมีรูปมีกลิ่นมีสีมีเสียมีสีมีแสงมีเสียงสิ่งที่จะทำให้ใจมีความสุขก็คือการมีสติมีปัญญาคอยสอนใจไม่ให้เกิดความโลภเกิดความอยากเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีความโลภไม่มีความอยากใจก็จะตั้งอยู่ในอุเบกขาความนิ่งความสงบความอิ่มความพอนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ทำให้เราหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะ สิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็คือความโลภความอยากต่างๆนี่เองและสิ่งที่ทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากก็คือความหลงความหลงก็คือความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบของใจอยู่ที่ความไม่โลภไม่อยากได้อะไรอยู่ที่การเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ใจไปหลงคิดว่าให้ความสุขนั้นความจริงแล้วเขาเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเขาเป็นความทุกข์เพราะเขาต้องมีการเสื่อมมีการดับไปมีการหมดไปมีการเปลี่ยนแปลงเวลามีการเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงมีการดับไปความสุขที่ได้ก็จะหมดไป ความทุกข์ก็จะเป็นสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ถ้าเราสามารถมองเห็นอนาคตของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่าจะต้องเสื่อมจะต้องหมดไปเราก็จะสามารถหยุดความอยากหยุดความโลภได้ถ้าเราสามารถเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นั้นไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเรา ที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปเราก็จะไม่อยากไปได้เขามาเพราะเวลาที่เราอยากให้เขาดีแล้วเขาไม่ดีเราก็จะเสียใจเราอยากจะให้เขาอยู่เขาไม่อยู่เราก็จะเสียใจดังนั้นเราต้องพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างมองอนาคตของเขา ลองให้เห็นว่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องเสื่อมจะต้องหมดไปจะต้องดับไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาไม่ให้เสื่อมไม่ให้เขาหมดไปได้นี่คือการเห็นความจริงเห็นสัจธรรมเรียกว่าเห็นธรรมเห็นอนิจจงเห็นอนัตตาเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความ หลงที่อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดดีกับเราไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าเห็นอย่างนี้แล้วใจก็จะตัดความโลภตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความโลภความอยากอยู่ภายในใจใจก็จะสงบเย็นสบาย เป็นอุเบกขา น, นี่คือธรรมต่างๆที่จะทําให้ใจได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆนั่นเองอยู่ที่การมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสร้างธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างขึ้นมาด้วยความจริงใจ ตั้งใจจะแผ่เมตตาก็ต้องแผ่เมตตาอย่างจริงใจจริงจังเวลามีใครมาทำให้เราโกรธก็ต้องให้อภัยถึงจะเรียกว่ามีสัจจะคือมีความจริงจริงใจที่จะทำที่จะสร้างเมตตาขึ้นมาแล้วก็ต้องหมั่นพยายามทำอยู่เรื่อยๆไม่เกลียดค้าน พยายามทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการสร้างคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างถ้ามีความลำบากยากเย็นก็ให้ใช้ขันติความอดทนไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้พยายามทำไปเรื่อยๆมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังตามวาระของ งานที่ทำว่ายากหรือง่ายงานบางชิ้นก็ยากก็ต้องใช้เวลามากหน่อยใช้ความพยายามมากหน่อยงานบางชิ้นก็ง่ายหน่อยไม่ต้องใช้ความพยายามมากไม่ต้องใช้ความอดทนมากแต่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆให้ครบทุกงานที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้ทำก็ ค, คืองานเมตตา งานให้ทานงานรักษาศีลงานเนยขมมะคือการละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ให้มาหาความสุขทางการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมความคิด ไม่ให้คิดปรุงแต่งไปในเรื่องของความโลภความอยากต่างๆให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรืออยู่กับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยบทไม่ว่าจะทำอะไรใจก็จดจอ่อเฝ้าดูการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเวลามานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาก็จะไม่ยากเย็นแต่อย่างใดถ้าสติมีอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธ แล้วอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกถ้าใจไม่ไปที่อื่นเลยอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวแล้วอยู่กับคำบาลกรรมเพียงอย่างเดียวใจก็ต้องเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิได้เวลาได้อัปปนาสมาธิก็จะได้อุเบกขาความเป็นกลางของใจ ใจปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงปราศจากความโลภความโกรธปราศจากความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นใจอยู่ในสภาพที่เป็นธรรมชาติของใจเป็นปกติของใจ สิ่งที่ทำให้ใจไม่ปกติก็คือความหลงพอเกิดความหลงคิดว่าถ้าได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นลดโหดทพัพแล้วจะมีความสุขอันนี้เรียกว่าเป็นความหลงพอเกิดความหลงก็จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาอยากได้ลาบยศสรรเสริญ อยากได้เศษรูปเสียงกลิ่นรสผลดภัพะ์พอเกิดความอยากใจก็จะออกจากสภาวะปกติคือออกจากอุเบกขาทันทีใจก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเกิดความความที่ต้องลิ่นหลนเพื่อที่จะ หาสิ่งที่อยากได้ขึ้นมา ท, ทันทีความสุขที่ได้จากความเป็นอุเบกขาก็จะหายไปถ้าอยากจะรักษาความสงบความสุขความเป็นอุเบกขาของใจให้อยู่ต่อไปสิ่งที่จะสามารถรักษาได้ก็คือปัญญาปัญญาก็จะมาสอนใจให้เห็น ความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงคิดว่าเป็นความสุขว่าเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะเขาไม่เที่ยงทุกเพราะเขาจะต้องมีวันเสื่อมมีวันดับไปทุกเพราะว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดสั่งให้เขาดีไปได้ตลอด ทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะต้องมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเสมอและไม่มีอยู่ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถไปยับยั้งความเสื่อมของสิ่งต่างๆทั้งหลายได้ถ้าอยากให้เขาไม่เสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีภายในใจถ้าอยากจะได้เขามาก็เกิดความทุกข์ทันทีความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยาก หนังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระอริยสัจสี่ความทุกข์ใจความไม่สบายใจความวุ่นวายใจนี้เกิดจากสมุทยัยคือตันหาทั้งสามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ เช่นอยากให้ร่างกายนี้สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุยืนยาวนานแต่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นได้เป็นชั่วระยะของมันแต่พอถึงขีดที่มันจะต้องเสื่อมที่มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันจะต้องตายไปก็ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะไป ข้ามมันได้นี่คือเรื่องของความอยากที่เกิดจากความหลงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุป ค, ความจริงอันนี้ก็จะไม่มีใครสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากได้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนให้เราเห็นว่าความทุกข์ของเรานี้ มันไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆมันไม่ได้เกิดจากความเสื่อมหรือความเจริญของสิ่งต่างๆเลยแต่มันเกิดจากความอยากของเราที่ไปอยากให้สิ่งต่างๆเจริญไม่อยากให้สิ่งต่างๆเสื่อมนี่เองถ้าเราไม่มีความอยากเราปล่อยให้สิ่งต่างๆเขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเขาจะเจริญก็รู้ว่าเขาเจริญ เขาจะเสื่อมก็รู้ว่าเขาเสื่อมเอถ้าไม่มีความอยากเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วใจก็จะเป็นปกติเป็นอุเบกขาสับแต่ว่ารู้แต่พอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะเกิดความราอสั่มราซ้ายเกิดความกวลกังวายกระสับกระสายเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ ถ้าใจได้เข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความเป็นกลางเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาแล้วพอใจเคลื่อนออกจากอุเบกขาจะเห็นทันทีเลยว่าเป็นความทุกข์เป็นความไม่สบายใจถ้าไม่ปฏิบัตินี้ต่อให้พูดอย่างไรก็จะไม่สามารถเห็นได้เหมือนกับพูดกับคนตาบอด ว่าสีแดงเป็นอย่างนั้นสีเขียวเป็นอย่างนี้ต้นไม้รูปร่างมีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้รถคันนั้นรถคันนี้มีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้พูดไปจนวันตายคนตาบอดฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะนึกตามไปได้ว่ามันเป็นอย่างไรจันใดเรื่องของพระอริยสัจสี่เรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก ในเรื่องของการดับความทุกข์ที่เกิดจากการละความอยากด้วยการเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ต้องปฏิบัติต้องทําใจให้รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิให้ได้ให้ใจเข้าสู่อุเบกขาเมื่อใจเข้าสู่อุเบกขาแล้วทีนี้ เวลาเกิดความอยากนี้ใจก็จะเคลื่อนออกจากความเป็นอุเบกขานี้ความเย็นความสงบที่ได้จากอุเบกขาก็จะหายไปความร้อนความวุ่นวายใจก็จะกลับมาแทนที่ทันทีผู้ปฏิบัติถ้ามีสมาธิแล้วเวลาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมานี้จะเห็นได้ชัดเลยเป็นเหมือนกับน้านิ่งนี้ เวลาปาปานี้ผุดวหวขึ้นมาก็จะเห็นการกระเพิ่มของน้ำเลยแต่ถ้าน้ำเป็นลูกคลื่นอยู่แล้วกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาปลาผุดขึ้นมาก็จะไม่เห็นความแตกต่างใดอย่างใดจิตของผู้ที่ยังไม่มีความสงบยังไม่มีอัปปนาสมาธินี้จะไม่เห็นความแตกต่าง ระว่างเวลาที่เกิดตัณหาเกิดความโลภ ก, กับเวลาที่ไม่มีตัณหาไม่มีความโลภเพราะใจกระเพิ่มอยู่ตลอดเวลามีความอยากอยู่ตลอดเวลานั่นเองเพียงแต่ว่าอยากมากอยากน้อยเท่านั้นเองผู้ปฏิบัติจะเห็นธรรมได้จึงจําเป็นที่จะต้องมีจิตใจที่สงบเป็นกลางเสียก่อนเป็นอุเบกขาเสียก่อน เมื่อจิตใจเป็นกลางเป็นอุบเบกขาแล้วถ้ามีปัญญาสอนใจให้มองให้เฝ้าดูใจให้ดูว่าเวลาเกิดความอยากขึ้นมานั้นความทุกข์จะปรากฏขึ้นมาทันทีแล้วถ้าเห็นด้วยปัญญาถ้าอยากจะให้ความทุกข์นั้นหายไปก็ให้หยุดความอยากเท่านั้นเองถ้าหยุดความอยากไม่ได้ ก็ต้องสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์เป็นเหมือนยาพิษถ้าเห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้เป็นเป็นยาพิษใจก็จะไม่อยากได้ทันทีเช่นเวลาเราไปหยิบเครื่องดื่มขึ้นมาดื่มถ้าเกิดมีป้ายเขียนติดไว้ว่าอันตรายดื่มแล้วจะต้องตายเราก็จะไม่ดื่มทันที แถ้าเราไม่เห็นป้ายอันนั้นเราก็จะคิดว่าเป็นเครื่องเดิมที่จะทาให้เรามีความสุขเราก็จะเด่มไปพอเดิมไปแล้วก็ก็ต้องกระอักเลือดออกมาเพราะว่าเจอยาพิษนั่นเอง อ, อย่างนั้นถ้าเราเกิดความอยากแล้วเราหยุดความอยากไม่ได้เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอน ให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นจะต้องมีวันเปเสริมมีวันหมดไปมีวันที่จะต้องพัดภาคจากเราไปแล้วเราจะไม่สามารถหากข้ามเขาได้เวลาที่เขาจากเราไปเราถ้าเราเห็นอย่างนั้นเราก็จะไม่อยากได้เขามาอยู่กับเราเป็นสมบัติของเราเพราะว่าเรารู้อนาคตของเขา กับเราว่าจะต้องมีการพัดภาคจากกันเวลาพัดภาคจากของรักนั้นเป็นอย่างไรเป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขนี่คือการใช้ปัญญาคอยสอนใจให้ดูใจให้รักษาใจให้อยู่ในความสงบถ้าออกจากความสงบก็ต้องรู้ว่ามีความอยากปรากฏขึ้นมาแล้วแล้วก็ต้องหา ความอยากนั่นให้เจอว่ากำลังอยากอะไรแล้วหยุดมันได้หรือเปล่าถ้าหยุดมันไม่ได้ก็ต้องใช้ปัญญามาวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราสั่งมันได้หรือสั่งมันไม่ได้ห้ามมันได้หรือห้ามมันไม่ได้ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เวลาเขาจะเสื่อม เวลาเขาจะจากไปเราก็จะหยุดความอยากได้เพราะเราจะเห็นว่าการที่ไปเอาเขามานั้นก็เป็นการเอาความทุกข์มาใส่ใจนั่นเองนี่ถ้าเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาใจก็จะสามารถดับความทุกข์ทุกชนิดได้หมดไม่ว่าจะทุกข์กับลาบยสศสรรเสริญทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ ทุกข์กับร่างกายของคนอื่นหรือทุกข์กับร่างกายของเราเราจะไม่ทุกข์กับเขาอีกต่อไปเพราะเราจะไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีความอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไปเพราะเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีการเกิดขึ้นก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วใจก็จะปล่อยวางได้ละความอยากต่างๆได้พอละความอยากได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ความทุกข์ต่างๆนั้นไม่ได้เกิดจากความเสื่อมของสิ่งต่างๆแต่เกิดจากความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆไม่เสื่อมนั่นเอง ดังนั้นเราจึงต้องคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้หรือในสิ่งที่เรายังไม่มีแต่อยากมีนั้นจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปหรือจะต้องมีการพัดพาคจากเขาไปคือร่างกายของเราก็ต้องเสื่อมจะต้องหมดไปถ้าร่างกายนี้เสื่อมสิ่งต่างๆที่เราหาผ่านมาทางร่างกายก็จะ จากเราไปหมดทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีที่เราหามาได้มากน้อยเพียงลอยพอร่างกายนี้เสื่อมไปทรัพสมบัติเหล่านั้นก็ต้องจากเราไปเราไม่สามารถเอาทรัพสมบัติต่างๆติดตัวไปกับเราได้สิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็ธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราจเจริญกันนั่นเองถ้าเรายังไม่สามารถที่จะ จเจริญธรรมะต่างๆได้ครบถ้วนบริบูรณ์เราจเจริญได้เพียงร้อยละห้าสิบธรรมะที่เราจเจริญร้อยละห้าสิบนี้ก็จะไปกับเราพอเราไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าเราก็ทําต่อได้เลยธรรมะที่เราได้สร้างไว้แล้วก็ยังจะอยู่กับเราจะไม่เสื่อมหายไปเช่นถ้าเราสร้างทานได้แล้วสร้างศีลได้แล้วสร้างศีลห้าได้แล้ว แต่ยังสร้างศีลแปดไม่ได้พอเรากลับมาเกิดชาติหน้าเราก็มาสร้างศีลแปดได้เลยต่อได้เลยไม่ต้องมาเริ่มสร้างทานสร้างศีลห้าใหม่เราจะทำทานได้อย่างง่ายดายเราจะรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายแต่เรายังจะไม่สามารถรักษาศีลแปดได้อย่างง่ายดายเพราะเรายัางไม่เคยรักษามานั่นเอง แต่ถ้าชาติก่อนเคยรักษาศีลแปดมาได้แล้วชาตินี้ก็จะรักษาศีลแปดได้อย่างง่ายดายถ้าชาติก่อนเคยเจริญสติปฏิบัติธรรมนั่งทําสมาธิทําใจให้สงบได้แล้วพอมาเกิดชาตินี้ก็จะสามารถทําได้เลยไม่ต้องมีคนสอนด้วยมันติดมากับใจถ้ามันรู้จักวิธีทําใจให้สงบแล้วมันทําของมันไปเองได้ไม่ต้องมีใครสอน แล้วถ้าเจริญปัญญาได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พอมันมาเกิดชาตินี้มันก็จะเจริญต่อเวลาเห็นอะไรเสือ่อมนี้มันจะพิ จ, จารณาปล่อยวางทันทีแทนที่มันจะเกิดความกลัวความเสือ่อมมันจะไม่กลัวมันจะพิ จ, จารณามันจะเห็นตามความเป็นจริงแทนที่จะไปหลงไปยึดไปติดมันก็จะปล่อยแทนที่จะไปทุก มันก็จะไม่ทุกนี่คือทำที่พวกเราสามารถเอาติดไปกับเราได้ถ้าพบนี้ชาตินี้เรายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแ ก, ก่เจ็บตายได้เวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะสามารถทำงานที่เราได้ทำข้างๆไว้ในชาตินี้ให้สำเร็จรู้เรื่องไปได้ คนที่มาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติจึงมีความสามารถในการปฏิบัติทำต่างกันนั่นเองต่างกันเพราะว่าในอดีตชาติได้สะสมทำมาไม่เท่ากันนั่นเองผู้ที่ได้สะสมมากก็มีงานที่ต้องทําน้อยลงไปกว่าผู้ที่สะสมน้อยผู้ที่ทําน้อยในอดีตชาติก็ต้องทํามากในชาติปัจจุบันดังนั้นถ้าเราพยายามเพียรทําไปเรื่อยๆ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติมีความจริงใจที่จะทำตามความตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจแล้วพอถึงเวลาทำก็เปลี่ยนใจอย่างนี้เรียกว่าไม่มีความจริงใจถ้าใจไม่จริงแล้วเวลาจะทำอะไรจะไม่สำเร็จพอเวลาตั้งใจแล้วพอถึงเวลาจะทำก็เปลี่ยนใจเพราะไม่อยากจะทำ เพราะอยากไปทำอย่างอื่นแต่ถ้ามีความจริงใจแล้วเวลาตั้งใจจะทำอะไรจะไม่เลิมจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจนั้นจะทำตามทันทีเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำแล้วก็จะต้องมีความพยายามพอตั้งใจแล้วพอถึงเวลาทำก็ต้องทำอย่างด้วยความพยายามด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ได้ทำแบบขอไปที ทำทท่ะเล็กเท่ะน้อยถ้าอย่างนี้ผลก็จะไม่ปรากฏหรือปรากฏไม่มากพอถ้ามีความพยายามที่จะกระทำอย่างเต็มที่ทำสุดกําลังผลมันก็จะต้องเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วแล้วถ้ามีอุปสรรคอะไรก็ต้องใช้ขันติความอดทนไม่ยอมแพ้ถ้ามันยากมันช้าหน่อยก็ใจเย็นๆทำไป ไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าจะรู้สึกไม่คืบหน้าเลยอย่างน้อยก็ขอให้ได้ทําไปไม่ยกเลิกเพราะว่าถ้าเลิกเมื่อไหร่ก็ถือว่าแพ้เมื่อนั้นแล้วก็จะไม่ได้ผลที่ต้องการแต่ถ้ายังทําอยู่ถึงแม้ว่าจะยากจะลําบากถึงแม้ว่าผลจะได้ไม่มากก็ดีกว่าไม่ทำํำต้องพยายามทําไปเรื่อยๆถ้ามีขันติแล้วก็จะไม่ยอมถอย จะทำไปจนกว่าจะหมดลมหายใจเท่านั้นถึงจะหยุดทำถ้าเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ภายในใจแล้วทำที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเจริญคือเมตตาทานศีลเนคขมมะอเบคาและปัญญานี้ก็จะอยู่ภายในวิสัยของพวกเราที่จะสร้างให้ปรากฏขึ้นมา แลวถ้าเรามีทำเหล่านี้เราก็จะมีที่พึ่งที่จะทำให้เราไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ทำให้เราต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆอีกต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญกันเกิดมาชาตินี้อย่าให้ความสำคัญกับอะไรมากไปยิ่งกว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ามีความวิเศษเท่ากับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นได้มีแต่จะทาให้เรา ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะดังนั้นพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอพยายามอย่าทำตามความโลภความอยากต่างๆที่จะดึงให้เรานั้นต้องติดพันอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมี ก็จะมีแต่ดึงให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดดึงให้เราออกจากกองทุกข์ต่างๆจึงขอฝากเรื่องของการสร้างคุณธรรมสำคัญๆเหล่านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจณาและปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติทนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกปติอิธิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาอะระโสยะธามณิโชติอะระโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโววินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภพวะ อาพิวาธานาศีลิษะนิจังวุธาปจายโนจตรารโธรมมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลางต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดต้องการจะถามปัญหาขอเชิญ ไปมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าไม่มีใครจะถามเดี๋ยวจะให้ถามผ่านคำถามที่ผ่านถามผ่านทางบ้านมาต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากนายบุญมีผมดูโพส ท, ที่มีคนถามพระอาจารย์ว่าบางคนเกิดมาร่ำรวย แต่ไม่ชอบทำบุญทำไมเขาถึงรวยเพราะการที่จะรวยก็มาจากการให้ทานและพระอาจารย์ตอบว่าถ้าคนเคยให้ทานชาติที่แล้วจะติดอุปนิสัยสะสมมาเกิดชาตินี้จะชอบทำบุญให้ทานแต่กรณีนี้เขาล่ำรวยแต่ไม่สนใจทำทานเป็นเพราะสาเหตุใดพระอาจารย์ว่ามันซับซ้อนหลายอย่างอาจเป็นโชคดีของเขาก็ได้ แต่ผมสงสัยและเคยได้ยินมาว่ า, าศาสนาพุทธไม่มีคาว่าบาังเอิญทุกอย่างเกิดจากเหตุปาสจากผลจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเคยได้ยินว่าอยากรวยให้พากันทำทานขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายด้วยครับความบังเอิญก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งเหมือนกันความบังเอิญนี่ก็เป็นเหตุบังเอิญเดินไปใต้ต้นไม้ อมะพ่ามันหล่นมาใส่หัตายนี้มันก็เป็นมันก็เป็นเหตุเหมือนกันว่ามบังเอิญคือมันไม่ใช่เป็นแต่เพราะว่าเป็นการกระทําของเราต้องอย่างเดียวเท่านั้นคือมันมีเหตุอย่างอื่นด้วยโลกนี้มันก็มีเหตุการณ์ของมันฝนฟ้าอากาศน้ำท่วมพายุนี่มันก็ไม่ได้เป็นการกระทําของเราแต่ถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์เราก็ต้องรับเคาะไปกับมันด้วย ดังนั้นเราจะไปว่ามันเป็นกรรมทั้งหมดก็ไม่ใช่แต่ส่วนที่เป็นกรรมก็มีกรรมก็คือสิ่งที่เกิดจากการกระทําของเราเช่นเราเคยทําบุญมาในอดีตเรามาเกิดในชาตินี้เราก็ได้รับอนิสงของการทําบุญได้ทราบสมบัติเจ้าของเงินทองแล้วถ้าเราเราเคยทํามาเราก็จะติดนิสัยทํามาแต่คนบางคนนี่เขา อาจจะร่มรวยด้วยการทำอหากินที่ไม่ชอบก็ได้ช่อโกงขอรับชั่นก็รวยได้ตรงนี้มักจะไม่ชอบทำทานกันเพราะว่าอยากจะได้มีแต่ความอยากได้ไม่อยากจะให้เพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งต่างๆนี้มันก็มีมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่ทาให้คนรวยได้คนโกงก็รวยได้ คนทำความดีคนซื่อสาดสุดเจริตก็รวยได้คนกองที่ไม่รวยก็มีคนซื่อสะอา์สุดจริตที่ไม่รวยก็มีเพราะฉะนั้นมันมันมันจะไปเหมาหมดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันก็ต้องวิเคราะห์ตามกรณีไปในแต่กรณีถ้าเราวิเคราะห์กรณีของพระพุทธเจ้า ที่ท่านส่งเราลึกชาติได้ท่านก็บอกว่าท่านเคยเป็นพระเวทสันดรท่านก็มีความใฝ่การทำทานอย่างมากมีอะไรก็ยินดีที่จะให้แบ่งปันเสียสละพอตายไปตามตามราท่านก็บอกว่าได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วพอลงจากสวรรค์มาก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ พอเป็นเจ้าชายจิตทธธัตตาพอถึงเวลาที่จะทรงสละราชสมบัติก็ทรงสละได้อย่างง่ายดายไม่มีความหวงแหนในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเลยพอเคยได้สะได้เคยสละมาแล้วในในอดีตชาติมาจนเป็นนิสัยผู้ที่ทำทานเนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะ อ, ออกปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ในเวลาที่ จิตพร้อมที่จะออกพอจิตพร้อมที่จะออกปั๊บนี่ต่อให้มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีอํานาจที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจของผู้ที่เคยทําทานมาอย่างโชคชนได้แล้วอแต่ผู้ที่ไม่เคยทําทานอย่างโชคชนผู้ที่ต้องอาศัยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นพี่พึ่งเป็นสรณะนี้ก็จะไม่มีวันที่จะ ออกไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ก็จะต้องติดอยู่กับทรัพย์สมบัติของตนแล้วก็ตายไปกับทรัพย์สมบัติของตนแล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าพบต่อไปถ้าชาตินี้ไม่ได้ทำทานเอาไว้ชาติหน้าก็จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นเศรษฐีหรือเป็นลูกของเศรษฐีเหมือนในตำราที่ทรงแสดงไว้เกี่ยวกับเศรษฐีท่านหนึ่ง ที่เป็นผู้ที่โลภอยากได้ทรัพย์แล้วก็หวงทรัพย์มีความตะนีได้ทรัพย์สมบัติถ้าเงินทองมามากน้อยเพียงไรนี้จะเอาไปซ่อนไว้จะไม่บอกใครแม้แต่ลูกๆก็ไม่บอกกลัวลูกๆจะมาขโมยมาเอาไปเอาไปฝังดินเอาไว้แล้วก็ไม่สนใจที่จะรักษาศีลทําบาปทํากรรมขอให้ได้เงินได้ทองมาแลก็จะทําฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ก็เลยไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ทำทานพอตายไปความรักสมบัติของตนก็ทำให้จิตนี้หวนกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเองพอดีสุนัขในบ้านตั้งท้องก็เลยเข้าไปจับจับจองท้องของสุนัขนั้นแล้วพอคลอดออกมาก็มาเกิดเป็นสุนัขแต่เป็นสุนัขถึงแม้ว่าจะได้อยู่ใกล้สมบัติของตนก็ไม่สามารถที่จะ รับประโยชน์จากสมบัติของตนได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จผ่านมาทรงเห็นจิตของสุนัขตัวนี้ว่าเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของทรัพย์ก็บอกลูกๆของเศรษฐีนั้นว่าสุนัขตัวนี้เป็นลูกเป็นพ่อของเธอกลับมาเกิดใหม่เลี้ยงมันไว้ดีๆอแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้แล้วมันก็พาไปขุดดังที่พุทธเจ้าทรงตัดไว้อันนี้ก็เป็นเรื่อง เรื่องของการมีทรัพย์แต่แต่ไม่ไม่ชอบทำทานแล้วพอตายไปก็กลับมาเกิดก็ไม่ได้รับอนันดีสงของทรัพย์ที่ตนหาได้เลยกลายเป็นของลูกไปหมดลูกๆ ก, ก็ไปใช้หมดแต่ถ้าทำแบบพระเวสสันดรไม่สวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีเท่าไหร่ก็สละไปแบ่งปันไป ให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุขได้บรรเทาความทุกข์นะพอตายไปก็ไปเป็นไปเกิดเป็นเทเแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาเกิดเป็นพระราชาโอรสเนี่ยนี่คือเรื่องของกรรมหรือการกระทําของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันและการที่จะร่ำรวยนี้อาจจะร่ำรวยเหมือนกันได้แต่ด้วยเหตุต่างกัน บางท่านนั่รวยด้วยอนิสง์ของทานที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติบางท่านนั่มรวยด้วยความคดโกงคอร์รัปชันทำผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมก็ร่ำรวยได้ฉะนั้นจึงต้องวิเคราะห์ในแต่และเรื่องไปในแต่กรณีไปมันไม่เหมือนกันทุกกรณีคำถามต่อไปจากคุณช้าง การมีความเห็นที่ว่าลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุโทโธนั้นคือกัลยาณมิธรรมที่ผู้ปฏิบัติควรละลึกอยู่ตลอดเวลาเป็นความเห็นที่ถูกต้องใช่หรือไม่ครับและสำหรับความคิดที่ชอบปรุงแต่งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานั้นกลับเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรที่จะเอาใจเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องทั้งสงกรณี การที่มีสติและเลืกรู้อยู่กับธรรมนี้ก็เป็นเหมือนมีมิตรที่ดีเพราะสตินี้จะรักษาจิตใจให้อยู่ในความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะคําำถามต่อไปจากคุณพรมนาลงชยัยข้อที่หนึ่ง ผมเป็นมือใหม่หาดภาวนาทราบว่าสตินั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งถ้าขาดสติแล้วทำส่วนอื่นก็เกิดไม่ได้อยากเรียนถามว่าทำอย่างไรเราจึงสามารถมีสติได้มากขึ้นเรื่อยๆหลงน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากเข้าใจว่าสตินี้เกิดเองไม่สามารถบังคับได้หากผมเข้าใจผิดขออภัยด้วยครับ สติสติไม่เกิดขึ้นเองเราต้องบังคับต้องสร้างมันขึ้นมาเราจึงต้องเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับพอลืมตาขึ้นมาพอรู้สึกตัวก็ให้บริกรรมพุทโธไปเลยก่อนที่จะลุกขึ้นไปทาอะไรขณะที่ลุกไปทำอะไรก็บริกรรมพุทโธพุทโธควบคู่ไปกับการกระทำอย่างนี้ใจก็จะไม่ลอยไปที่อื่นใจก็จะอยู่กับ การเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายใจก็จะอยู่ในปัจจุบันการที่มีใจตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าใจมีสติถ้าไม่มีสติมันจะลอยไปอดีตไปอนาคตทันทีเดินขึ้นมาก็เลิกถึงเมื่อคืนนี้หรือเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไปทำอะไรมาบ้างหรือคิดถึงอนาคตคือเดี๋ยวจะต้องไปพบปากกับใครต้องไปทำอะไรหรือคิดไปร้อยแปดพันประการ ซึ่งส่วนใหญ่ความคิดของใจก็จะเป็นความคิดที่จะดึงไปในทางที่ไม่ดีคือดึงไปในทางความโลภความโกรธความหลงดึงไปในทางสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ดึงไปสู่การออกจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องหยุดความคิดที่ไม่ดีเหล่านี้ให้หมดไปให้ได้ก่อนให้หยุดมันให้ได้ก่อนเมื่อหยุดมันได้แล้วเราถึงจะสามารถสั่งให้มันคิดไปในทางที่จะพาให้เราออกจาก การเวียนว่ายตายเกิดออกจากกองทุกต่างๆได้ข้อที่สอง ผมอ่านเจอว่าสมาธินั้นจะช่วยส่งเสริมให้วิปัสสนาธรรมได้ดียิ่งขึ้นหรือได้มักผลเร็วขึ้นแต่ผมพยายามทดลองนั่งสมาธิแล้วแต่ไม่เคยเกิดปรากฏการเข้าฌานอย่างที่ทฤษฎีว่าไว้ควรทำอย่างไรดีครับหรือให้ผมเจริญสติไปเรื่อยๆแบบนี้ไปก่อนก็คือต้องเจริญสติให้มากๆแล้วก็ต้องไปปรีกวิเวกอยู่คนเดียว ไม่ทําภารกิจการงานต่างๆนอกจากการเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้นจึงจะสามารถดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเป็นเป็นอุเบกขาได้ถ้าจิตไม่เป็นอุเบกขาไม่สงบนี้จะไม่เห็นอริยสัจสี่เวลาอาริยสัจสีแสดงตนขึ้นมาเพราะจิตจะอยู่แต่ข้างนอกจะมองแต่ข้างนอกเวลาจิตไม่เข้าข้างในนี้จิตก็มักจะมองไปที่ รูปเสียงกลิ่นรสผลพภาไม่ได้มองมาที่ใจทั้งทั้งที่ใจสแสดงอริยสัจสี่ให้เห็นตลอดเวลาแต่มองไม่เห็นเพราะเราหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งเหมือนเราเนี่ยเราจะเห็นแต่ด้านหน้าของเราเราจะมองไม่เห็นด้านหลังของเราถ้าเราอยากจะเห็นด้านหลังของเราเราต้องมีกระจกอย่างเวลาเราขับรถถ้าเราขับรถเราจะมองว่าข้างหลังมีรถตามมาหรือไม่เราก็ต้องมีกระจกดู เราถึงใจเห็นภาพที่อยู่ข้างหลังเราได้ฉันใดถ้าเราอยากจะเห็นอริยสัจ ส, สี่ที่มีอยู่ภายในใจของเราเราก็ต้องมีกระจกสองใจกระจกสองใจนี้ก็คือสมาธินั่นเองทาใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจก็จะหันกลับเข้ามาดูข้างในมองดูใจมองเห็นใจมองเห็นว่าเวลาเกิดความอยากเกิดความทุกข์ขึ้นม า, ท, าทันที มองเห็นว่าเวลาหยุดความอยากภาบความทุกข์ก็หายไปทันทีแล้วถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะแก้ปัญหาที่ถูกจุดแก้ที่ที่ปัญหาเลยต้นตอของปัญหาก็คือความอยากต่างๆแต่ส่วนใหญ่เราไม่เห็นกันเพราะเราไม่ดูที่ต้นตอเราไปดูที่ปลายเหตุเวลาเราทุกข์กับเรื่องใดเราไปแก้กับเรื่องนั้นทุกข์กับคนนั้นเราก็ไปแก้ที่เขาแทนที่จะมาแก้ที่ใจเรา ทุกับคนนั้นก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไปคุยกับเขาไปขอร้องเขาให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่พอมองไม่เห็นว่าเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้ไปสั่งเขาได้แต่ถ้าเราเห็นว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้แล้วต้นเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เรามาแก้ท like ี่เราเสื้อสบายกว่าปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเป็นไปถ้าเราไม่อยากแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์แต่เราจะไม่เห็นเพราะเวลาเราทุกข์นี่เราไม่เห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราเรากลับไปเห็นว่าเขาไม่ทำตามความอยากของเราเราเลยไปโกรธเขาเราเลยอยากจะให้เขาทาตามความอยากของเราแล้วถ้าเขาไม่ทาตามก็ยิ่งโกรธใหญ่ ดีไม่ดีก็ถึงกับตีกันฆ่ากันไปเลยเลยเพิ่มความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าเ้วยกันเพราะมองพรไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์ว่าอยู่ที่ใจของตนเองแต่ถ้าทำใจให้สงบดึงใจเข้าข้างในแล้วใจจะเห็นต้นเหตุของตนเองต้นเหตุของความทุกข์ของตนว่าอยู่ที่ความอยากของตนนี้เองพอไม่อยากแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับใครเลยพออยากแล้วทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมด คำถามต่อไปจากคุณทัศนีช่วงปฏิบัติธรรมจิตมักจะคิดอยู่เรื่องหนึ่งซ้ำหลายรอบบางครั้งก็ปรุงแต่งได้กำหนดรู้ในบางครั้งก็พิจารณาหาเหตุผลมักเป็นเช่นนี้บ่อยๆเป็นๆหายๆขอคำแนะนำพระอาจารย์ค่ะควรทำอย่างไร แด ล, ลองลองถามใหม่ฟังไม่เข้าใจช่วงปฏิบัติธรรมจิตมักจะคิดอยู่เรื่องหนึ่งซ้ำหลายรอบบางครั้งก็ปรุงแต่งได้กำหนดรู้ในบางครั้งก็พิจนารณาหาเหตุผลมักเป็นเช่นนี้บ่อยๆเป็นๆหายหายขอคำแนะนำพระอาจารย์ข้าว่าควรทำอย่างไรก็ไม่ควรคิดไงเบื้องตอนนี้ให้หยุดความคิดซะก่อนให้เจริญสติให้คิดอยู่แต่คาว่าพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียว เพราะความคิดของเรานี่มันวนอยู่ในอ่างมันคิดอยู่ในเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปหาคำตอบได้เพราะว่าคาปัญหาของเรานี้มันไม่ได้อยู่ที่ในสิ่งต่างๆปัญหาของเรามันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราไม่เห็นความจริงอันนี้เราไปแก้ปัญหาอะไรก็ตามก็ไม่มีวันจบแก้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้มันก็จะมีปัญหาใหม่ โผล่ตามขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดความคิดซะก่อนหยุดเสียแล้วทําใจให้สงบได้เราก็จะพบกับความจริงว่าความสุขหรือความทุกข์นี้มันอยู่ที่ตัวเราออถ้าตัวเราไม่มีความอยากเราก็จะมีแต่ความสุขเพะฉั้นพอเราเห็นแค่นี้เราก็สบายแล้วก็มาแก้ที่ปัญหาที่แท้จริงก็มาแก้ที่ความอยากนี้มาหยุดความอยาก ส่วนเหตุการ์ต่างๆบุคคลต่างๆเขาจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามเรื่องของเขาคำถามต่อไปจากคุณประเทืองศัก์เราอยากทำบุญอยู่บ่อยๆมันก็ทำให้เราทุกข์เหมือนกันอันนี้มันเป็นความทุกข์อันนี้มันเป็นความอยากที่เกิดจากอะไรครับมันทุกข์เพราะอะไรล่ะทุกข์เพราะเสียดายเงินหรือเปล่าถ้าทุกข์เพราะเสียดายเงินมันก็เป็นกิเลส คำถามต่อไปจากคุณมูซำอมดิฉันมีความเคารพพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระป่าได้ฝากตัวเป็นศิษย์มีเพื่อนสมัยเรียนเห็นเราไปทำบุญบ่อยๆและเคารพท่านเป็นอย่างมากจึงขอร่วมไปด้วยครั้งแรกดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องดีที่เขาสนใจทำบุญจึงได้พาไปรู้จักวัด แต่ต่อมาเขาจะขอติดตามไปด้วยทุกครั้งซึ่งดิฉันไม่สะดวกเลยเพราะเขาเข้าใจว่าดิฉันสนิดสนมหรือเป็นสิ่ใกล้ชิดบอกเพื่อนไปแล้วว่าใครทาตามกฎก็สามารถพบท่านได้ถ้าไปตามเวลาที่กำหนดไว้ทราบภายหลังว่าที่เขาไปเพื่อต้องการทราบเรื่องปาฏิหาริย์ที่เขาเคยได้ยินมา ทำให้ดิฉันไม่สบายใจเลยเพราะอาจารย์ท่านไม่ได้สอนให้สนใจเรื่องนี้นอกจากการภาวนารักษาใจให้สงบระงับกิเลส บอกปฏิเสธไปหลายครั้งแต่เขาก็ยังยืนยันจะรอไปพร้อมดิฉันจะโกหกว่าไม่ได้ไปหาก็ไม่กล้าแต่ก็ฝืนใจเราที่เราอยากจะไปกราบท่านตามปกติแต่จะต้องหะจะต้องพาเขาไปด้วยดิฉันควรจะทําอย่างไรดีคะก็บอกเข้าไปตรงๆก็แล้วกันว่าไม่อยากจะพาเข้าไปแล้วเขารู้จักทางแล้วไปเองได้แล้วก็ไปเอง คำถามต่อไปจากคุณริวผมปฏิบัติตามแนวสติปฐานสี่คือกำหนดองค์ภาวนายุบหนอพองหนอมาได้สามปีกว่าแล้วครับไม่เคยฝากตัวเป็นศิษย์ที่ไหนเลยไม่เคยปไปปฏิบัติที่สำนักไหนเลยทำตามรายการทีวีผมอยากถามพระอาจารย์ว่าข้อที่หนึ่ง การปฏิบัติเจริญกรรมฐานจําเป็นไหมครับที่ต้องมีครูบาอาจารย์ก่อนต้องขึ้นผานครูก่อนครับคือการมีครูบาอาจารย์นี้มันมีได้ในหลายรูปแบบการอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ก็ถือว่ามีครูบาอาจารย์แล้วคือสิ่งที่เราต้องการจากครูบาอาจารย์ก็คือคําแนะนําเรื่องการบอกวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้น ถ้ามีผ่านทางสื่อใดก็ได้ผ่านทางหนังสือก็ได้ผ่านทางบุคคลก็ได้แต่เรื่องการทำพิธีนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีพิธีนี้ไม่สําคัญพิธีนี้เป็นเหมือนผักชีโรยหนะ้าเหมือนเวลาเราทำอาหารนี่เราอยากจะให้อาหารมันดูหน้าดูหน้ากินเราก็หาผักชีหาอะไรมาใส่ให้มันมีสีมีสันหน่อยแต่เวลากินจริงๆเราก็ไม่จะกินมันเราไปกินใ้อาหารที่เรา ที่เราต้องการจะกินฉันใดการมีครูมีอาจารย์นี้ก็มีไว้เพื่อให้ท่านเป็นผู้บอกทางให้กับเราเท่านั้นเองอแต่การแสดงความคารุคารวะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จำเป็นต้องทําเพราะเราเป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยท่านเราก็ควรที่จะให้เกียรติท่านยกย่องท่านเ ท, นทอดทูนท่านเพราะท่านเป็นผู้มีคุณมีประโยชน์กับเรา การกระทําอย่างนี้ไม่เป็นการเสียหาจะทําด้วย ว, วิธีไหนก็สุดแท้แต่วิธีง่ายๆก็กราบสามครั้งก็พอไม่ต้องมาตั้งหน้าโม่มากล่าวขอขมาลาโทษกันเจอกันที่ไรก็ตั้งหน้าโม่ขอขมาลาโทษกันทุกครั้งไปไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ความเคารพอยู่ในใจของเราถ้ามีความเคารพแล้วมันจะแสดงออกมาทางกายทางวาจาเอง ถ้ามันไม่มีความเคารพมันต่อให้ไปสวดไปตั้งหน้าโม ย, ยังไงมันก็ไม่มีความเคารพอยู่อย่างนั้นข้อที่สองผมปฏิบัติถึงขั้นที่รู้สึกว่าตัวลอยขึ้นและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเฝ้าดูอาการจนหยุดเองทำแบบนี้ถูกหรือไม่ครับไม่ควรไปดูอาการที่ปรากฏให้เรารับรู้ควรจะเกาะติดอยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราดูลมหายใจก็ควรอยู่กับลมหายใจ ถ้าเราบริกรรมพุโทโธก็ควรอยู่กับการบริกรรมพุโทโธไม่ควรไปตามรู้กับสิ่งที่ปรากฏให้เรารบรู้ในขณะที่เราภาวนาเพราะจะทำให้เรานี้ไม่ได้ภาวนาแล้วนั่นเองแล้วเราจะไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปก็คือการรวมของจิตเป็นอุเบก ข, ขาสักแต่ว่ารู้ข้อที่สามผมปวดขาและเอ็นขากระตุก และปวดมากจนทนไม่ได้เหมือนกระตุกใกล้ๆ จ, จนจะล้มถ้าเจอเวทนาอย่างนี้จะทำอย่างไรครับก็มีสองวิธีด้วยกันวิธีง่ายก็คือให้บริกรรพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บนั้นให้เกาะติดอยู่การบริกรรจนลืมความเจ็บนั้นไปแล้วความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปเราจะสามารถอยู่กับความเจ็บนั้นได้หรือไม่เช่นนั้นจิตก็อาจจะรวมเข้าสู่ความสงบ ปล่อยวางความเจ็บความเจ็บหายไปจากการรับรู้ได้ชั่วคราวอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่วิธีที่ยากที่ต้องทำที่ถ้าทำได้จะดีกว่าวิธีแรกเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวรก็คือการเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นความเจ็บว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้หนีจากเขาไม่ได้ สิ่งที่จะทำได้ก็คือต้องอยู่กับเขาให้ได้ต้องไม่ไปกลัวเขาต้องไม่อยากให้เขาหายไปเพราะความอยากให้เขาหายไปจะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งถ้ามีความทุกข์ทรมานใจแล้วจะทนอยู่กับความเจ็บของร่างกายไม่ได้แต่ถ้าไม่มีความทุกข์ทรมานใจใจเป็นอูเบคาสักแต่ว่ารู้ใจจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกาย แล้วต่อไปก็จะไม่ต้องหนีมันเวลามันเจ็บก็อยู่กับมันได้เพราะรู้จักวิธีอยู่กับเขาแล้วตอนนี้เรายังไม่รู้จักวิธีอยู่กับเขาเวลาเจอเขาทีใดพยายามที่จะไล่เขาไปหรือพยายามที่จะหนีจากเขาไปพอเวลาหนีไม่ได้ไล่เขาไม่ได้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่ต้องทุกทรมานใจแต่ถ้ารู้ว่าความจริงเราอยู่กับเขาได้เราไม่ต้องไล่เขาแล้วเราก็ไล่เขาไม่ได้ด้วย เ, เขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเวลาฝนจะตกเราไปห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้แต่เราห้ามใจไม่ให้ไปวุ่นกับการตกของฝนได้ลราก็ให้มาห้ามใจของเราอย่าไปวุ่นกับการเกิดขึ้นกับความเจ็บของร่างกายยอมรับความเจ็บไม่ต้องไปกลัวความเจ็บความเจ็บไม่เป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความกลัวความเจ็บนั้น ถ้าเราไม่กลัวความเจ็บแล้วใจของเราก็จะไม่มีโทษใจของเราก็จะสงบจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายข้อที่สี่ ต อ, อนเช้าของทุกวันผมทบทวนอาการที่เป็นอยากจะทนให้ได้กับอาการที่เป็นอยู่แต่ลึกของใจผมกลัวจิตหรือวิญญาณหลุดลอยไปไม่กลับเข้าร่างจะเป็นอันตรายไหมครับและวิญญาณสามารถหลุดออกจากร่างโดยไม่กลับเข้าร่างได้หรือไม่ครับก็เวลาตายมันก็ไปแล้วไม่กลับนแต่ถ้ายังไม่ตายมันก็ต้องกลับมไม่ต้องไปกลัว จะกลับมาหรือไม่กลับมามันก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดปัญหาอยู่ที่ความกลัวต่างหากเพราะความกลัวนี้ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเราต้องมาแก้ปัญหาที่ปัญหาก็คือความกลัวความกลัวนี้เราแก้มันได้ถ้าเรามีปัญญาถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเรารู้ว่าเราไม่เป็นอะไรไปกับสิ่งต่างๆไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรมันก็เป็นที่ร่างกายมันไม่ได้มาเป็นที่เรา เราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราเป็นใจใจนี้ไม่เป็นอะไรไม่มีวันเป็นอะไรมีแต่จะกลัวหรือไม่กลัวเท่านั้นถ้ากลัวก็ทุกข์ถ้าไม่กลัวก็จะไม่ทุกข์นั้นต้องสอนใจให้เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงคิดว่าเป็นใจนั้นไม่ใช่ใจเช่นร่างกายใจปล่อยมันได้ปล่อยให้มันตายได้ต่อยให้มันเป็นอะไรไปได้ใจจะไม่สูญเสียอะไร พอใจไม่ได้ไม่เสียกับสิ่งต่างๆแต่ความหลงหลอกให้คิดว่ามีการได้มีการเสียกับสิ่งต่างๆเวลาได้อะไรมาก็คิดว่าได้มาแต่ความจริงก็ไม่ได้อะไรเพียงแต่รับรู้ว่ามีสิ่งนั้นอยู่ใกล้ตนเองเท่านั้นเองและเวลาสูญเสียไปก็ไม่ได้ทาให้ตนเองขาดขาดขา ด, ขาดอะไรไปพอใจนี้สามารถอยู่ตามลำพังได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรเพราะเราไม่เคยฝึกอยู่แบบไม่มีอะไรกัน เราเราอยู่แบบต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็คิดว่าเราจะเดือดร้อนเราจะตายกันแต่ความจริงถ้าเรามาฝึกอยู่แบบไม่มีอะไรแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องมีอะไรแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาสิ่งที่เรามีหรือหรือไม่มีนี้อยู่หรือไม่อยู่ก็จะไม่เป็นปัญหากับเราถ้าเรารู้จักอยู่ตามลำพังของเราได้ วิธีอยู่ตามลำพังได้ก็ต้องรู้จักภาวนานี่เองรู้จักทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วใจจะปล่อยวางทุกอย่างคำถามต่อไปจากคุณธีรกิจทำยังไงครับตันหาจึงจะหมดไปจริงๆก็ต้องปฏิบัติธรรมเนีก่อนที่จะปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องเจริญทานศีลก่อน ทำทานให้ได้ก่อนปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่โลภไม่อยากได้เงินทองไม่หาไม่ใช้เงินทองเป็นที่เพิ่งหาความสุขให้มาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถ้าปฏิบัติธรรมรักษาศีลได้ก็จะมีสมาธิมีปัญญาที่จะสามารถรับความอยากต่างๆได้คําถามต่อไปจากคุณโนบ ผมเคยนั่งสมาธิแล้วถูกคนในบ้านมาเรียกครั้งแรกนั่งไปได้สักพักไม่ค่อยสงบเท่าไร่พอคนมาเรียกก็มีอาการขนลุกครั้งที่สองสงบกว่าครั้งแรกหูไม่ค่อยได้ยินเสียงมาได้ยินคนในบ้านเดินก้าวสุดท้ายที่หน้าประตูและกำลังเปิดขณะนั้นจิตวิ่งอย่างรวดเร็วออกมาจากจุดที่กำลังดำดิง่งวิ่งขึ้นมา รู้สึกตัวอย่างรวดเร็วสติว่องไวมีความสูขขณะลืมตาไปจนออกจากสมาธิหลายชั่วโมงแล้วจากนั้นก็พิจารณาอาการสาสิบสองและอาจุพะพิจารณาอะไรก็เห็นได้ชัดเจนคำถามข้อแรกจากที่เล่ามาจะมีอันตรายหรือผลเสียเมื่อถูกรบกวนขณนะนั่งสมาธิไหมครับ ถ้าถูกรบกวนมันก็จะเสียสมาธิไปเท่านั้นเองถ้าเรามีสติเราอย่าไปสนใจกับสิ่งที่มารบกวนเราก็จะสามารถประครับประคองความสงบความสมาธิต่อไปได้ถ้าเวลามีอะไรมารบกวนก็พยายามเจริญสติให้มากให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องก่อมใจผูกใจไว้จะอยู่กับลมก็ได้หรือจะอยู่กับอ อยู่กับพุโทโธก็ได้หรือจะใช้ปัญญาก็พิจารณาสิ่งที่มารบกวนว่าเป็นตายลักไปว่ามาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับไม่ต้องไปให้ความสำคัญอะไรกับเขาเพียงแต่ให้สัตว์แต่ว่ารู้รับรู้แล้วก็ปล่อยเขาไป ข้อที่สองขณะที่นั่งภาวนาบริกรรมสบายๆจิตยังมีความคิดเล็กน้อยในบางช่วงทำให้ไม่แน่ใจว่าสงบไหมแต่ทำไมจิตถึงดำดิ่งและมีอาการถอนออกมาเมื่อขณะถูกเรียกอาการอย่างนี้ใช่สมาธิใหมครับและจิตที่ยังมีความคิดแวบขึ้นมานิดหน่อยในบางช่วงเป็นสมาธิใหม่ครับ ก็อาจจะเป็นสมาธิยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมาธิที่สมบูรณ์แล้วมันก็จะสักแต่วรู้นิ่งอยู่เฉยๆถ้านิ่งได้อยู่ชั่วคราวท่านก็เรียกว่าเป็นคันิกะสมาธิถ้านิ่งได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้ายังมีความคิดปุงแต่งอยู่ก็ยังไม่ถือว่านิ่งเต็มที่คําถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามสังฆทานเวียนได้บุญไหมคะ คือบุญนี้เกิดจากการให้ถ้าเราให้เช่นเราซื้อซื้อของมาถวายพระของนี้มันจะเวียนไม่เวียนมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเราไปซื้อของมาแล้วเราเอาไปถวายพระเราก็ได้บุญบุญที่เกิดจากการให้ทานแล้วแต่ของนั้นมันจะพระจะเอาไปเวียนเอามาขายขากับ อ, อีกเจ้าหนึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเร า, างั้น ไม่สาคัญว่าเขาจะเวียนหรือไม่เวียนสาคัญว่าเราให้หรือไม่ให้บุญอยู่ที่การให้คำถามต่อไปจากคุณ น, นิดหน่อยโยมว่ามันก็ดูยากนะคะว่าคนชอบทำบุญนั้นมาจากใจจริงหรือเปล่าเพราะสมัยนี้คนทำบุญเอาหน้าก็เยอะ ทำบุญเพราะหวังผลอื่นก็เยอะบางทีเงินที่ทําบุญก็โกงเขามาเลยทําให้มีข้อสงสัยว่าอย่างนี้เขาจะได้อานิสง์จากการทําบุญไหมคะไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยให้รู้แต่เรื่องของเราก็าพอขอให้เราทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจทําบุญเพื่อตัดกิเลสคือความโลภความตนีความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะถ้าเราอยากจะ ไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปเราจะต้องละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปคำถามต่อไปจากคุณหลงรักเธอแต่เพียงฝ่ายเดียวผมอยู่แต่ในบ้านเป็นคลาวาสไม่ได้บวชเป็นพระแต่อาศัยการตามดูจิตตลอดเวลาโดยให้จิตบริกรรมหรือท่องพุโทโธจนเห็นอาการเคลื่อนไหวปรุงแต่งดีชั่วของจิต ปฏิบัติแบบนี้สามารถหมดกิเลสเข้าสู่นิพพานได้ไหมครับถ้าเราหมดกิเลสเข้านิพพานแล้วเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรครับว่าเราบรรลุธรรมแล้วก็เวลาเรากินข้าวเราเราจะรู้ไหมว่าเราอิ่มหรือไม่อิ่มการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนิพพานก็คือความอิ่มใจนี้เองความสุขใจความสบายใจไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจ ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเรามีแต่ความอิ่มใจสุขใจสบายใจไม่มีความวุ่นวายใจเราก็ต้องรู้เองไม่ต้องมีใครมาบอกเราเหมือ น, นพระพุทธเจ้าไปถามใครตอนที่พระองค์ทองตัดจะรู้ <Okay. S 1> พระพุทธเจ้าถามใครหรือเปล่าว่าเราได้ตัดสรรู้แล้วเราได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องถามใครสันทิฏฐิโกเรื่องการปฏิบัติเหมือนกับการกินข้าวการหลับนอนนี้ หลับนอนพอแล้วไม่พอคนนอนรู้เองเอกินอิ่มไม่อิ่มคนกินรู้เองชั้นใดการปฏิบัติธรรมบรรลุแล้วแบบบรรลุผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองแต่เป็นไปได้ที่อาจจะรู้รู้ไม่จริงก็ได้เพราะชอบหลอกตัวเองยังไม่ถึงบรรลุก็ไปคิดว่าบรรลุแล้วอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระอารหนันต์นกหวีดลูกไปได้ยินพ้าอารหันนกหวีดไหม มีพระสองสามรูปท่านไปภาวนาในป่าเวลาท่านไปภาวนาท่านก็แยกไปนั่งกันคนละจุดแต่ด้วยความห่วงใ ย, ยกันแล้วก็บอกว่าถ้าใครมีเหตุการณ์มีภัยอะไรก็ให้ส่งเสียงบอกกันพอดีพระรูปนี้ท่านมีนกหวีดติดตัวไปด้วยพอแยกกันไปนั่งได้สักพักหนึ่งพระสองรูปก็ได้ยินเสียงนกหวีดขึ้นมาก็เลยวิ่งไปดูว่ามีเหตุการณ์อะไร ไปถึงพะองนั้นกขอกไม่มีอะไระผมตื่นเต้นผมดีใจผมผมหลุดแล้วผมบรรลุแล้วอาก็เลยบอกโอ้อยงั้นก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยไม่มีไม่มีภัยอันตรายรเขาก็พอใจแล้วเขาก็แยกกันกลับไปนั่งภาวนาต่ออีกสักพักไม่นานก็นกหวีดล้องขึ้นมาอีกแล้วทีนี้ท่านถามว่ามันบรรลุ ข, ขั้นไหน้วทีนี้ พอไปถึงก็ไปถามมาไปไปถึงขั้นไหนแล้วขันนี้ผมไปถึงขั้นที่ผมรู้ว่าผมยังไม่ได้บรรลุมันกลับมาอีกแล้วอะไรเนี่ยผู้ปฏิบัติก็ต้องอย่าตายใจถ้าคิดว่าบรรลุนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อต้องพิสูจน์มันดูมันมีวิธีตรวจสอบใจได้ว่ามันมันมันมันตายไปจริงหรือไม่จริงกเกเรตเนี่ยความโลภความโกรธความหลงนี่ เราสามารถพิสูจน์ได้เราเช็คอยู่ได้ไม่ใช่พอมันสงบตัวคนเดียวก็คิดว่าบรรลุแล้วครเพราะความสงบนี้มันอาจจะสงบด้วยสมาธิก็ได้มันไม่ได้สงบด้วยปัญญาและสงบด้วยปัญญาก็อาจจะไม่สงบแบบท้าวรนก็ได้อาจจะตัดแบบยังขาดไม่ไม่ขาดหมดก็ได้ยังไม่ถึงรากถึงโคนเหมือนก็ได้เรนต้องคอยปฏิบัติคอยดูไปเรื่อยๆเฝ้าดูไปเรื่อยๆ ทดสอดใจเองไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะรู้เองคําถามต่อไปจากคุณปีเตอร์มองคาราวาสไปนิพพานได้ไหมครับการไป น, นิพพานนี้ไม่ใช่เป็นพระหรือคาราวาสไปแต่เป็นจิตที่มีสุปฏิปันโนไปะ จ, จิตจิตจิตดวงใดที่มีสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีมรรคแปดที่สมบูรณ์จิตนั้นก็ไปถึงพระนิพพานได้ คำถามต่อไปจากคุณโอปสัสผมอยู่ในอียิราบทต่างๆจะใช้การบริกรรมพุโทโธเดินจงกรมจะ ก, กำหนดเท้าที่ก้าวไปเวลานั่งจะ ก, กำหนดดูลมหายใจความคิดความคิดปรุงแต่ง เกิดขึ้นมาก็รู้แล้วดับไปอยู่ในสังคมก็ไม่คิดถึงคนอื่นใครทำไม่ถูกต้องก็กำหนดคิดว่าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะไปว่ากล่าวตักเตือนปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมไปใครพูดอะไรมาก็รู้อย่างเดียวไม่เก็บมาคิดแต่สภาวะก็ยังมีเสื่อมแล ะ, จ ะ, จะเจริญอยู่บ่อยๆจึงไม่ค่อยอยากออกมารับอารมณ์ภายนอก การภาวนาแบบนี้ถูกทางไหมครับถ้าไม่ถูกควรทำอย่างไรครับก็ถูกแล้วเนะี่ยเป็นการกระทำที่ถูกต้องคือดูแลรักษาใจของเราเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นเพราะการไปยุ่งไปวุ่นวายนั้นมันเป็นการทำลายใจของเราไม่ได้เป็นการรักษาใจเพราะทำให้ใจเราต้องวุ่นต้องวิตกกังวลต้องเครียดไปกับเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเ ป, เป็นตรงกันข้ามกับเป้าหมายของเราการปฏิบัติของเราเนี้เพื่อรักษาใจของเราให้สงบให้เย็นให้เป็นสุขใจจะสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ก็ต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาเป็นไตล่ลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟข้อที่หนึ่ง ผมภาวนาพอจิตมันเผลอแวบออกไปข้างนอกผมจับพุโทโธ ร, รัวๆจนรู้สึกว่าแน่นหนาพอสมควรอาทิตย์นี้ก็พุโทโธมาตลอดจิตเผลอไปบ้างก็แตะแต่ก็ทราบบางครั้งรู้สึกมีความสุขเหมือนพระจันทร์เซี่ยวให้หายแล้วก็สงบ เป็นอย่างนี้ยังมีบริกรรมบางครั้งห่างบางเวลาก็ทีทีอยากทราบว่ามาแบบนี้พอจะถูกทางไหมครับถูกแล้วพยายามจเจริญสติอยู่เรื่อยๆบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆแล้วพยายามนั่งให้มากขึ้นการนั่งนี้จะทําให้จิตรวมลงได้มากขึ้นได้ลึกกว่าได้ลึกขึ้นกว่าอุิยาบทอื่นข้อที่สอง ถ้าพุโทโธหายคือจิตรวมใช่ไหมครับหายแบบหายเพราะหลับก็มีสติไม่มีหรือหายเพราะจิตรวมจิตหยุดปรุงแต่งพุโทโธก็จะหยุดไปการรวมมันจะเป็นเหตุการณ์ที่มาสจรรัจจันที่จะรู้ทันทีว่านี่แหละคือความสงบเป็นอย่างนี้ความสุขของที่เกิดจากความสงบเป็นอย่างนี้ถ้าแบบหายแบบไม่รู้หัวรู้ก้อยนี่แสดงว่าหลับใชมากกว่า ข้อที่สามพระโสดาบันยังต้องสำรวมระวังสอดส่องศีลของตนไหมครับหรือว่าศีลกับใจของท่านเป็นอันเดียวกันจะไม่เผลอกระผมเข้าใจว่าพระโสดาปฏิมาศอาจจะต้องคอยสอดส่องสำรวมแต่พระโสดาปฏิผลศีลของท่านบริบูรณ์แล้วและอยากทราบว่าศีลของพระโสดาบันมีลักษณะอย่างไร ก็จะไม่ละเมิดศีลห้าโดยเด็ดขาดแต่ท่านยังไม่สามารถรักษาศีลแปดได้เพราะว่าพระโสดาบันนี้ยังไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสที่จะเป็นตัวให้ไปละเมิดศีลแปดก็คือความอยากในกามนั่นเองพระโสดาบันจึงต้องเจริญอสุภะถ้าอยากจะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงขึ้นไปถ้าอยากจะบรรลุเป็นพระสกิฎาคามีพระอนาคามี ถ้าสสดาบันจําเป็นจะต้องพิจารณาอสุภะอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าพิจารณาได้เป็นครั้งเป็นคราวทําให้กามอารมณ์ดับไปเป็นครั้งเป็นคราวก็เรียกว่าได้บรรลุเป็นพระสกิดาคามีคือได้ทําให้กามอารมณ์เบาบางลงไปแต่ยังไม่ได้ทําให้หมดไปแต่ถ้าสามารถจเจริญอสุภะได้ตลอดเวลาเห็นร่างกายของใครไม่ว่าจะสวยจะหลออย่างไร ก็เห็นว่าไม่สวยไม่งามเพเห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงเห็นอะไรต่างๆที่ไม่น่าดูของร่างกายหรือเห็นร่างกายนั้นกลายเป็นซากศพไปถ้าเห็นอย่างนี้ตลอดเวลาการอารมณ์ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอนาคามีได้พระอนาคามีก็จะรักษาสิญพรหมจรรย์ได้คือท่านจะไม่มีความรู้สึกที่อยากจะ ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายไม่ว่าจะเป็นการร่วมหลับนอนคือสีนข้อสามหรือการหาความสุขจากการรับประทานอาหารหลังจากเทียงวันไปแล้วหรือการไปหาหมรศพไปดูหมหัศลศพบันเทิงอะไรต่างๆหรือการเสริมความสวยความงามของร่างกายของตนหรือการหลับนอนเป็นเหมือนเป็นเป็นสุกรหลับแบบไม่มีขอมไม่มีเขตม อันนี้จะไม่มีในใจของผ้านาคามีคำถามต่อไปจากคุณสีโบควรทำอย่างไรดีคะชอบคิดไปในทางลบเช่นเดินทางก็จะคิดว่าต้องมีเรื่องไม่ดีพอคิดเรื่องบ้านคนในบ้านก็จะคิดว่ามีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นก็ใช่เห็นผลดูเลยว่าคิดแล้วมันเป็นไตเป็นไปตามที่เราคิดหรือเปล่า ถ้ามันคิดเป็นไปตามที่เราคิดเราก็คิดไปทางบวกใช่ว่าคิดว่าเราจะรวยบ้างเป็นยังไงไรือว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตบ้างไม่ได้เลยเพื่อจะได้รู้ว่าความจริงความคิดของเรากับความจริงมันไม่ต้องมันไม่ตรงกันถ้ามันตรงกันก็ดีเราจะได้คิดไปในทางที่ดีคิดเป็นพระอรหันต์เลยมันจะได้เป็นเลยแต่มันไม่ได้ทุกอย่างความจริงมไม่ได้เป็นไปตามความคิดของเรา ถ้ามันเป็นก็เป็ น, เ ป, นเป็นเหตุบังเอิญเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวิตกกังวลกับความคิดคิดอะไรก็ให้คิดด้วยเหตุด้วยผลไปคำถามต่อไปจากคุณหลิงหลิงถ้าสามีปฏิบัติจนเข้าใจเรื่องอาสุพะพอสมควรแล้วอยากออกบวชได้ไหมคะผู้ผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าพร้อมที่จะบวชเมื่อไรอยากจะบวชหรือไม่บวช อันนั้นก็ถ้าไม่มีความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองขอ ง, ของตนแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมที่ยังต้องอยู่เป็นคาราวะากันอยู่ก็เพราะว่ายังไปอยู่คนเดียวไม่ได้นั่นเองยังต้องอาศัยคู่ครองให้ความสุขต่อกันอยู่แต่ถ้าไม่ต้องการหาความสุขจากคู่ครองแล้วหรือกับกับแฟนหรือกับใครก็ตามแล้วก็สามารถที่จะออกบวชได้ คนที่ไม่กล้าออกบวชกันก็เพราะกลัวบวชแล้วเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้พอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะต้องทำให้ผ้าร้อนถ้าไม่สึกก็จะลงไปทำอะไรที่มันเสียหายแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีการมาลมแล้วก็เรื่องของการบวชนี้ก็จะเป็นไปโดยเป็นธรรมชาติไป คำถามต่อไปจากคุณวาสนาหากเราต้องการฟังธรรมขั้นสูงตั้งแต่ระดับโสดาบันพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระอาหารหันต์ที่จะทำให้เรารู้ตามและบรรลุตามได้นั้นเราจะมีข้อสังเกตผู้สอนเราได้อย่างไรคะว่าผู้สอนเรามีธรรมสูงขั้นใดเพราะเรามีปัญญาน้อยมากๆ คงจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับผู้ที่มีภูมิปัญญาต่ำที่จะไปอย่างภูมิปัญญาของผู้ที่มีสูงกว่าได้ก็ต้องอาศัยว่าเราต้องมีการศึกษาดูแนวทางของการปฏิบัติว่าดูดูแนวทางของการสอนของผู้สอนว่าเป็นไปตามแบบที่พทธเจ้าทรงสอนหรือไมเอ่เท่านั้นเอง แต่ส่วนท่านผู้สอนนั้นจะรู้ธรรมนั้นจริงหรือไม่นี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราจะพิสูจน์ได้ก็ต้องเราต้องปฏิบัติเองเช่นเรามีปัญหาติดอยู่กับการจะบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเราไปไปฟังธรรมของท่านท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอนำเอาไปปฏิบัติแล้วเราบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ อย่างนี้เราก็เชื่อได้ว่าท่านก็คงเป็นได้บรรลุพระโสดาบันมาแล้วท่านถึงสามารถสอนให้เราบรรลุได้เหมือนกับเราอยากจะทำแกงเขียวหวานเราก็ต้องไปทำศึกษากับคนที่รู้จักทำแกงเขียวหวานถ้าไปเรียนกับคนที่ทำไม่เป็นเดี๋ยวแกงออกมามันจะกลายเป็นเขียวเขียวขมไปอัง <c oughs> <c oughs> ั้นมันก็ต้องมีเหตุมีผลที่เราจะพิสูจน์ได้ คือท่านบอกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าผู้นั้นมีภูมิธรรมหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราสามารถนําคําสอนของท่านมาปฏิบัติแล้วบรรลุผลได้หรือไม่ถ้าเราปฏิบัติแล้วบรรลุผลได้ก็น่าจะเชื่อได้ว่าท่านต้องบรรลุแล้วท่านจึงสามารถสอนเราได้หลวงพ่อคะเหลือสองข้อถามต่อได้ไหมคะอาให้หมดเลยเลยถามต่อไปจากมีผู้ฝากถาม ร่างกายมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประกอบด้วยอาการสามสิบสองทำไมถึงไม่มีดวงตาคะก็มีไงดวงตาก็อยู่อยู่ในอาการของร่างกายเพียงว่าท่านแยกออกไปไว้ในในกลุ่มของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันก็เป็นอาการอันหนึ่งเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้รวมอยู่ในอาการสามสิบสอง คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามตอนเป็นเด็กเคยขโมยเงินจากกระปุกอมสินของญาติไปครั้งหนึ่งและขโมยเงินพ่อหลายครั้งหากตอนนี้นำเงินไปคืนญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ในจํานวนที่มากกว่าที่ขโมยมาส่วนพ่อเสียชีวิตไปแล้วผลของกรรมจะเป็นอย่างไรคะคือบาปที่ทำไปแล้วนี้มันไปลบไปล้างไม่ได้ไปแก้ไม่ได้ เอาเงินไปคืนนี่ก็เป็นเหมือนกับการไปทํานทานั้นเองแต่เป็นมันก็เป็นวิธีดีที่ดีอย่างหนึ่งที่จะสอนเราเลือดที่จะเตือนเราเลือยับยั้งเราไม่ให้ไปทําซ้ํำซากอีกทีหนึ่งการสารภาพบาปนี้ไม่ได้เป็นการลบล้างบาปที่เราทําเป็นเพียงแต่เป็นการ ป, ประจานตัวเราเองสอนเพื่อให้เราจะได้มีความยังอายแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่ทําอีกต่อไป แต่บาปที่ทำแล้วมันก็ต้องมีผลเกืออาจจะต้องถูกต่อไปเป็นยายก็อาจจะถูกหลานมาขโมยหมดคำถามค่ ะ, ะหมดเล่าเลยวันนี้ก็ได้เนื้อได้หนังพอสมควรก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาตโยมจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ